ในการคุยธรรมะที่เรามาพบกันในช่วงวัน ในระหว่างวันที่เราทํางานอยู่ไม่ว่าจะทํางานเป็นข้าราชการหรือว่าอยู่ นับป้าแม่ให้ซับเอาเราจะใช้ แล้วถึงแม้ชาวนาอาหารอะไรต่างๆเค้าก็ยังต้องมีการใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าบ้างซื้อพันธุ์พืชบ้างอะไรบ้างเนี่ย เอ่อความคิดจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้น่ะก็ยกไว้ก่อนนะวันนี้เรา นาคริครัดนี่คริครัดยังไงนไม่ทราบว่าเราโกงแต่ว่าเป็นกรรม นะทําตามหน้าที่ทุกอย่างดีแต่ว่ามันเป็นเครียดในที่ทํางานอย่างเงี้ยในทํา 1 นะ 1 คือบางอยู่อย่างที่ว่าเนี่ยก็ด้วย แต่ถ้าขยายพวงกว้างกับปีกับเบียดเบียน 1 ละนั่นโดยและฐานะที่ 2 ที่เอ่อพุทธเจ้าบอก 2 ก็คือว่าให้บริหารตน นะบริหารตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ นักแบ่งใจทรัพย์ตรงนี้ต้องรู้จักคําทําสิ่งที่ แต่ถ้าเรามีรายได้มหาศาลราย แขนใช่มั้ยแล้วก็ทําจุดสมดุลตรงกลางนะเอาน้ําหนักที่เราต้องการอ่าเป็นมาตรฐานไว้ทางซ้ายจบนะ แบ่งใจทรัพย์เนี่ยเอ่อเล้าใจอะไรบ้างนะทาไปใจในเรื่องของการเอ่อสิ่ง 4 ส่วนด้วยกันนะอันดับแรก การเรียนเพื่อนร่วมงานหมายถึงว่าคนที่เป็นคู่ค้าของเราเนี่ยนะนะให้อิ่มนำอันนี้ต้องจัดการตรงนี้ก่อนนะอิ่มนำให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องเนี่ยหมายความว่าให้มันถูกต้องอ่ะนะในสมมุติเราเป็นคู่ค้าของเราเนี่ยถ้าพูดถึงเพื่อนอมาดเนี่ยเช่นผู้คู่ค้าคุณซื้อของจากซัพพลายเออร์คุณซื้อของ เรารู้จักการที่รายจ่ายกับรายคือเข้าไขของอ่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะผู้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะขับรถหรูๆอยู่ นะใช้ทรัพย์เพื่อรักษาทรัพย์อย่างเช่นว่าเราไปฝากตู้เซฟที่ธนาคารน่ะ ทรัพย์นั้นเนี่ยบำเพ็ญบุญด้วยนะการแบ่งปันทรัพย์บำเพ็ญบุญนะก็หมายความเป็นบุคคลที่ควรแก่ของที่ควรรับนะหรือเป็นเนื้อหาบุญ 4 นะ ก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่กำหนัดลุ่มหลงมัวเมาในยึดติดๆจะไม่รู้จักการ แผนบ้างไปเป็นอย่างอื่นมีลูกทรัพย์พี่เกิดขึ้นซับ เผื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์กรณีหันอย่างเงี้ยเงินที่เรา 4 ฐานินะ 4 ฐานิฐานะนี้ย้ํา นะแล้วสมองด้วยนั้นนอกจากไม่เครียดแล้วอันฐานที่ 2 เนี่ยต้องรู้จักบริหารใช้จ่ายให้ดีนะกระแสเงินเข้ากระแสเงินออก 3 ต้องรู้จักแบ่งปันทรัพย์บําเพ็ญบุญด้วยเดี๋ยวรู้ว่าเราจะต้อง 4 ก็คือว่าเอ่อไม่กําหนัดลุ่มหลงนะไม่มัวเมา อ่ามีปกติเห็นโทษมี 4 อย่างนี้ 2 นิ้วเลยเลยนะเพราะด้วย 4 สถานนี้ถือว่าดี 4 สถานนี้ 3 สถานเช่น มีการบําเพ็ญบุญไม่ 4 แบบใช่มั้ยหรือบางคนทําได้แค่ 2 อย่างนะไม่รู้จักแบ่งปันซะบําเพ็ญบุญอย 4 อย่างนี้นะถ้าทําได้ท่านฟัง แล้วแม่วัวเนี่ยมันคลอดลูกมามันก็จะมีนมวัวใช่มั้ยเราเอานมวัวมานมเป็น น้ำวัวเนี่ยเค้าเรียกน้ำนมจากวัวเนี่ยนะเอามาแล้วเนี่ยถ้าเอามาหมักเอามาปั่นแล้วใส่เชื้อกันเดี๋ยวมันจะออกรสเปรี้ยว ในนี้แล้วคุณเอาไปต้มนั้นก็จะแยกเราไปต้มอีกผ่านความร้อนอีกจนกระทั่งมันแยกออกเป็นชั้นอีกเราเอาๆข้างบนตรงนี้ นมโคนี่แล้วก็ทําเป็นนมส้มนมส้มก็ได้จากว่าหัวเนยใสเนี่ยเป็นชั้นเลิศที่สุดดี 4 สถานนี้ด้วย 4 สถานนี้ถือว่า อันแรกนะใช้การหามาน่ะคุณ 2 รู้จักแบ่งใจทรัพย์ตามงบประมาณนะไม่ไปเกี่ยวข้องกับการๆนะแบ่ง 4 อัน 3 นะรู้จักแบ่งปันทรัพย์ 4 นั้นไม่ลุ่มหลงกําหนัดยึดมั่นโมเมาเห็น ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไปบุญ